أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ل ت س ك ن و ันนะรามบัสอออินลอฮฺอัลลอฮฺมิเณสอออินลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ كل الذين كانوا بآيات ا ل ل يجحدون ل ل ه رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم دنا ل ح م د لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هليله ا فشدوا ه ا ل ا ه إله إلا الله وحده لا شريك له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 وهو سميع عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل و ا ل و ء ا ل ك ب ر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف مسلم وما أنا من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه و ز ي ن ة ع ر ش ه ومدد ا كلماته ยา ح ي ياقيوم برحمنك أستغيس أصلح لي شأن كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين ح س ب الله و ن ع م ل وكيل ح س ب الله و ن ع م ل وكيل ح س ب الله و ن ع م ل وكيل السلام عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله في นองที่ร่วมนมาศบุญที่มัสยิดอันวาลิุน กบเล่พี่น้องที่ติดตามเฟซบุ๊กสวรรค์นในบ้านนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับขอบคุณอัลลอ์นะครับที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้นี่ปีปีอะไรปีใหม่ใช่ไหมอายุเพิ่มขึ้นใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอัลลอ์เราส่งหัวหน้าอมิบตับซีได้มานมา ร, ร่วมกันแล้มาฟังตับซีก็ขออวต่อรอให้ มีเฉลิมมีบุรกัศในชีวิตมีวใจัยที่หมดงามมีอหมานเยอะๆมีลู ก, กีที่หันหลางมีลูกหลานที่ซ้อนแล้วไว้ขอดูอาให้นะครับพี่น้องครับเราต้องขอบคุณนบบนะของกินในปีใหม่ปีเก่าสำหรับเราเนี่ยมันไม่มีหรอกนะทุกวันจะดีหมดนะนะจากนั้นพออายุเราเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนึกเอ บาปเราซึงมีอยู่ว่าปีที่แล้วมี่านึกถึงบาปตัวเองนึกถึงความผิดในอดีตที่ทามาของดีๆเนี่ยไม่ต้องไปจำหรอกจำของที่ไม่ดีเต่จะได้สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์จะได้กลับเนื้อกลับตัวไปหาอลัลลอฮ์นะครับเนี่ยดีที่สุดเอาเอาหลักการอิสลามนี่ไปใช้ ขอบคุณนลอนะครับที่เราทบถลทอิสลามมานี่ไม่ได้หยุดนะช่วงโควิดก็ไม่ได้หยุดทได้ลมองโควิดนี่มองอยังไงขออธิบายเล็กน้อยนะอย่ามองโควิดอย่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขามองกันโรคโควิดนี่อลัลลอฮ์บอกให้นบีมาลอเราว่าเป็นราะม่าุนเป็นความเมตตาลินมุมินีนแก่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกคน ก็คิดเป็นคิดตามนาบีเนี่ยนะเป็นรอฮมะแล้วก็ถ้าเรารู้ข่าวว่ามีโรคในโรคใหม่มาอีกใช่ไหมชื่อใหม่ใหม่อะไร <c oughs> อะไรถึงต้องจำนะผมมันไม่จำหนานะ <c oughs> ได้โรคมาใหม่อีกเพื่อจะให้เราเนี่ยอยู่ในหลักการอิสลามเพิ่มขึ้นบาก็เปิดไม่ได้จะไหมดริ่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นี่พิสูจน์อะไรพิสูจน์ว่าอิสลามเนี่ยจะต้อง ของโรคแล้วก็เมื่อเรารู้ข่าวว่ามีโรคระบาดเนี่ยให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับมีคนส่งอะไรลายมาให้เห็นในสนามฟุตบอลในี่คนแน่นแต่นสซูลาวรานั่งห่างกันเป็นข้อเตือนใจเนี่ยนะมองดอูเห็นไหมคนไม่กลัวแต่ในมัสยิดเนี่ยรอ ยืนห่างกันคนละวาละวาละวาละว า, ว า, วาเอาไ ม, ไม่แต่แค่นี้พอนะครับพี่น้องครับต้องชุกกุกต้อเอายเยอะที่เราได้มีโอกาสได้อ่านกุรอานวันนี้อ่านมาถึงสุรามุหมินสี่สิบอฮอทดูลินลาไม่ช้าเราก็จะยินนาลิลลาแต่ยังไงก็ให้เราตายในขณะที่เราอ่านอัลกุรอาน ตายขนาดที่เราก็าสื่สาความรู้จะอ่านคุณอ่านให้รู้ว่าเป็นนักเรียนเราเป็นนักเรียนนะทุกวันนี้นะตายขนาดเป็นนักเรียนดีได้วไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาเนียจะอ่านคุณอ่านให้จบเล่มนะครับวันนี้มาถึงสุราอัลมุมินหรือออยากเรียกว่ากอฟิศนะครับอายาที่ห1บอดนะครับอัลฮัมดุลิลลาอายาที่61วันนี้เดี๋ยวผมอ่านนิดนึงนะครับ الله الذي جعل لكم الليل ل ي س ك ن و ا فيه ونهار ا ل مبصرا إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الحمد لله الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون อัลฮัมดุลิลละอัยะนี้ดีมากคับอัลฮัมดุลลาอัยะนี้อัลลอฮฺเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังโดยให้จิบรีเนี่ยประทานอันกูอ่าน ล, ลงมามาพูดว่ามนุษย์ไม่ต้องเหนื่อยหรอกนะมนุษย์ไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องการสร้างชั้ฟ้าสร้างกลางวันกลางคืนเนี่ยมนุษย์ไม่ต้องมาเหนื่อยมนุษย์ไปเหนื่อยถึงทําอิบะด่านนั่น S 1> <S 1> <S สบายใจนะในเล่าให้ฟังเล่าให้นบีฟังให้นบีมาดาว่าเตือนว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยสร้างอะไรนะอัลไรล่ะสร้างอะไรกลางคืนมันมีกลางคืนกันกบกลางวันจะอัลลอฮ์เอเ่ย อ, อะไรก่อนเอ่ยกลางคืนก่อนกลางวันมาทีหลังเห็นไหมแสดงว่าในทางอิสลามเนี่ยกลางคืนมาก่อนแล้วกลางวันมาทีหลัง กางคืนเนี่ยเราเนี่ยเข้าเข้าวันใหม่ตอนมกริบใช่หรือไม่ใช่พอมกริบมาปั๊บเนี่ยเข้าวันใหม่แต่ของสากลเนี่ยใช้เที่ยงคืนก็มีข้าดาวมาใช่ไหมละ่ะของเราไม่มีเราเข้าวต้มข้าดาวไม่มีเราทําเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนะนะครับอัลลอุลเลาะห์ดีอัลลอฮฺผู้อัลลาดีแปลว่าผู้ทรงยาละทำ เอาล้อผู้ทรงธรรมเอาศัพ์ไปบ้างนางะตระบท้องด้วยนะ <laughs> ยาดาแปลว่าธรรมเอาล้อผู้ทรงธรรมลากรุ้มให้กับพวกท่านทั้งหลายให้กับมนุษย์มาให้มนุษย์มาเหนื่อยมนุษย์ไปเหนื่อยเรื่องเงินมนันจะมาเหนื่อยเรื่องบริหารว่ากลางวันกลางคืนอยู่ยังไงตะวันดวงอาทิตย์ดวงจนันทร์ก็ต้องมาเหนื่อยเรื่องนี้มนุษย์ไปเหนื่อยเรื่องอื่นเรื่องที่ท่านนาบีทําเป็นแบบไว้นเหนื่อยตรงนั้น อ l l ล h า l l a h i j ะ la lakumul l ลล l ผู้ทรงทำกลางคืนอัลไรล่ะแปลว่ากลางคืนละกุมสำหรับท่านทั้งหลายอ l ล a h เล่าเองนะครับมีกลางคืนไว้ทำอะไรลีตัสกูนูสากาหนาในแปลว่าอยู่แต่ตรงนี้แปลว่าเพื่อการพักผ่อนกลางคืนะมีไว้เพื่อการ พักผ่อนเอาเนี่ยเราน้นถึงหมอน ะ, วนะเวลาเราไปโรงพยาบาลนะหมอให้กินยานอนหลับคนถามให้กินยานจับทำไมเพราะการพักผ่อนเปการนอนที่ดีที่สุดเอาความรู้จากคุณอ่านไปใช่ใชไหมลิตัสกูนูกลางคืนมีไว้เพื่อการพักผ่อนและพักผ่อนเวลาอื่นมันก็ไม่ดีก็จะเวลากลางคืน เรื่องมารยาทในการนอนที่ท่านอบีศลเอนเนี่ยมันจะเห็นที่นอนเห็นหมอนแล้วก็อะไรวะเสียหัวเลยนะไม่ใช่นะฮต้องไปแปรงฟันก่อนอาบน้ําน้ำอาบก่อนมาตตปัดที่นอนก่อนยกมือขึ้นก่อนแล้วก็อ่านสามกุญปเป่าที่มือแล้วลูกทั้งศีรษะเนี่ยรูปแบบนี้นะมาเนือยในเรื่องนี้มาต้องมาเหนยเรื่องกลางวันกลางคืเนเอาล้อจัดให้เลยเนี่เล่าให้ฟังเองที่คิดจะเอาล้อเยอะๆนะ แล้วก็เวลานอนนอนตะแคงอะไรตะแคงขวาเป็นท่านอนที่ดีที่สุดโลกใบนี้ยอมรับหมดแล้วไอ้นอนตะแคงขวาตะแคงซ้ายบ้าก็ได้คว้าก็ได้แต่อย่าคว้านานแป๊บๆนี่พอไหวนะครับลิตัสกูนูฟีเพื่ออะไรนะเพื่อจะได้พักผรอนฟีในนั้นในเวลากลางคืนเนี่ยอุลมามะบางท่านบอกว่า ก็ ต, ต้องคืนอย่าไปทำงานเลยนอนตอนดึกดีหรือว่านอนแต่หัวข้ามดีนอนแต่หัวข้ามดีที่สุดเพื่ออะไรแต่ตรงตอนก็ต้องนอนหลังนมาอิชาร์แต่ตบีห้ามเลยนะอย่านอนหลังนมาดมกริบถ้านอนหลังนมาดมกริบน่อโอกาสที่จะไม่นมาอิชานี่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้น ให้ลอบให้นอนหลังนมาติชาให้รีบนอนนะแล้วก็ตืน่นตอนตายอาจากนอนเนี่ยตีสามครึ่งเนี่ย อ, อ๋อต้องตืน่นแล้วพอมันอิ่มแล้วเนี่ยถ้าตื่นมาทําอะไรก็นมาตะขาจุดเลยฉะนั้นเราต้องฝึกตัวเราเนี่ยเหนยเรื่องนี้นะเหนื่อยเรื่องนมาตะขาจุดหน่อยเรื่อง อ, อง่านพูอาเหนื่อยเรื่องการอะไรทําอีวะมันีประดัดเราต้องฝึกตัวเรายิ่ง อายุวันนี้เพิ่มไปอีกปีหนึ่งผมในแปดสิบแล้เจ็เจบท่านเท่าไรดบสเหมือนหนุ่มห้มดุลิลอเอต่อมาครับวันนาฮาระและ ก, กลางวันกลางวันมาที่หลังนะมูบซรอให้กลางวันมาเป็นที่สว่างเห็นมสว่างเพราะแสงอาทิตย์ที่อัอลลอฮให้มา และแสงอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตัวของมันเองนะนี่คุรานอธิบายเองนะครับส่วนดวงดวงจันทร์เนี่ยรับแสงมาจากดวง อ, อาทิตย์พระอ่านกุรานเพิ่งรู้พระอ่านกุรานกุรานอธิบายเลยนะดวงอาทิตย์นั่งแสงอยู่ในตัวมันเองส่วนดวงดวงจันทร์เนี่ยรับแสงมาจากดวงอาทิตย์มุบสิรอมีกางวันไว้เพื่อเป็นที่สว่าง อุลามาอธิบายยังไงสวากมาถึงมองเห็นเพื่อการประกอบอาชีพกลางวันทำงานแต่ไม่ใช่ทำทั้งวันน บ, บีเตือนบอว่าคนทำงานทั้งวันไม่ได้นามาดเลยนะไม่ต่างอะไรกับกับอะไรรู้ไ่มลาพอพูดลาคนค น, คนเข้าใจง่ายเพราเวาลาทำงานทั้งวันจะนั้นมนุษย์เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ย ทำงานทั้งวันเนี่ยมันไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาอ่านกูรอ่านไม่มีเวลาน้ำหมาเลนเนี่ยเปรียบเปรียนอะไรอ่าดองกี้แปบว่ารถดองกี้อย่างนี้เป็นตัวฉะนั้นพอเรียนกูรอ่านเรียนศาสนาและอ่านกูรอ่านอัลลอ์สบายใจแล้วลำดีๆต่อมาครับอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยละรูลรูแปลว่าเป็น เป็นเจ้าของอ่าลาซอแปลว่าเจ้าของหรือเจ้านะครับอัลลอฮ์นี่เป็นเจ้าฟาดลุนฟาดลินฟาดลันแปลว่าความโปรดปรานอัลลอฮ์เป็นเจ้าเป็นเจ้าของของความโปรดปรานนี่เปิดหูเปิดตาพวกเราแล้วนะความโปรดปรานเนี่ยมาจะมาจากไหนหรอกมาจากใครอัลลอฮ์อ่าบ่ รางกายแข็งแรงมานะมาตที่มัสดิดได้มาจากอัลลอ์แล้วก็โปรดปรานให้เรามีบ้านอยู่มีที่ดินมีรถใช้มีภรรยานี่ยอัลลอ์โปรดปรานทั้งหมดเลยเราก็มีเงินใช้มีชื่อเสียงมีตำแหน่งในสังคมอัลลอฮ์ยกมุนยกนีนกนน่บางทีก็เอาลงบ้างเอาขึ้นบ้างนี่ความโปรดปรานจากอัลลอ์ทั้งหมดจะนั่นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ะนั้น วันวันหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับชมอัลลอฮ์เยอะๆเราชมอัลลอ์นะชายชายภาษาไหนอย่านึกเองนะวะนบีนะชมอัลลอฮ์ชายยังไงครับสุ ح อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิ ا إ ลลาฮ์ลาอิลลอฮิลลอฮ์ๆๆัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮยอัลลอฮัลลอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอลลลอฮอ มีชา บ, บ้านบีไปแอบฟังนบีตอนนั่งประชุมอยู่เนี่ยนบีอ่านอะไรพอประชุมนบีพูดพอนบีไม่พูดเนี่ยนบีอ่านอะไรมาแอบฟังข้างหลังนบีนบีกล่าวว่าอัสตัฟิรุลลอออัสตัฟิรุลลอแปลว่าฉันขออภัยโทษต่อล l ะ a h ทามันนบีผิดอะไรต้องการจะอธิบายว่า หนึ่งการขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์สัดุดีต่ออัลลอฮ์การโบกรันทนี่ยเนคนเปนคนผิดเนี่ยเพื่อมาเป็นแบบอย่างให้กับอุมม่าของท่านนบีมามัดทั้งโลกฉะนั้นวันวันหนึ่งให้อยู่กับอัลลอฮ์ให้คิดถึงอัลลอฮ์และใจมันสงบแล้วจริงไหมจริงครับเอาต่อมาครับอินนอัลลอฮะลาอูฟะดลินอาลันนัสอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ เจ้าแห่งความโกรธปานแกมนุษย์เห็นไหมความจริงไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเราให้กสัตรย์ด้วยต้นไม้ด้วยแพะแก่อัวควายี่อยู่รอบรตัวเราเราดูแลหมดแต่อัเลาเน้นตรงนี้ฉันให้กับมนุษย์แล้วไม่ได้แยกด้วยนะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมดูแลหมดเลยอนะ่ะแต่พี่น้องสังเกตนะให้กับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยน้อยกว่าให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสังเกตนะ อ่ยกไปอย่างฟาโรเนี่ยไม่เคยสูอยูตต่ตลอดเลยใช่ไหมทาชีวิตเนี่ยแต่ลอกม่อะไรตำแหน่งโอโลรอมีเงินมีตำแหน่งเอาเอาไปแต่ได้กี่โลกโลกเดียวอ่ะพอควาตายมาถึงก็ะหอย่านั้นแหละฟาโร่บอกอะไร้มฉันเชื่อแล้วอามั่นตูฉันเชื่อว่าลอกมีนบีมูซาสอนตั้งกี่ปีสาสิกว่าปีความความความ พอตายจริงๆอ้อัลลอฮ์ไม่จริงอัลลอฮ์รับไหมไม่รับใช่หมั้ยท่านสังเกตนะคนที่ไม่เอาอัลล์เนี่ยอัลอลอฮ์ให้อยู่สบายนะสบายจริงๆอะเพลินด้วยเมาก็ได้ด้วยทำอะไรได้หมดทุกอย่างแต่มุเมนมุสลิมอยู่แบบระวังตัวตลอดเวลาเนี่ยตามกันนะครับ ว่ละกินนะอักษร น, นะลาจินแว่แต่นะลากินแว่าแต่นะอักษรแว่าส่วนมากกระเซกนะส่วนมากเนี่ยของมนุษย์เนี่ยอย่างสิบคนนี่นะอย่างน้อยแปดคนเก้าคนละลายาชุรุนไม่ขอบคุณอลัลลอฮฺใช่หรือไม่ใช่นี่ขนาดพวกเราเนี่ยเตือนแล้วยังเตือนอีกใช่ไหม ที่บ้านก็เตือนพ่อก็เตือนแม่ก็เตือนลูกยังดื้อเลยใช่ไหมนะฉะนั้นนิสัยเดิมๆของมนุษย์เนี่ยเป็นคนง่าเนรคุณฉะนั้นไว้ใจไม่ได้ถึองได้เตือนกันนะ่วนะวลาเตือนนะนบีสั่งนะพูดดีๆอย่าด่ดาพูดดีๆอย่าด่ดาเตือนเตือนสามีเตือนภรรยาเตือนกัน เรื่องใหญ่เตือนให้นมาตนมาตเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ย อ, อัลลอฮฺเราจะพูดเรื่องนามาตต่อไปนะตอนนี้ อ, ตอาตย์นะครับตัวรงว่าอาย่านี้เนี่ยอลัลลอฮฺให้กลางคืนมาก่อนแล้วกลางวันมาทีหลังกลางวันมาเพื่อการทํางานแต่นี้กลางคืนทําทําอะไรบ้างผมเช็คในกุญแจนะครับมีทั้งหมด หลายรายการคอยยกตัวอย่างซับซับสามี่รายการกลางคืนให้ลุกขึ้นนมาตยุทธ์นะไม่จะนอนอย่างเดียวนะข้อที่สองกลางคืนเนี่ยนบีเดินทางจากมักกะไปอัลอักซอจากอัลซอขึ้นไปรับนามาตว่าให้ใช่ไหมต่างวันหรกลางคืนกลางคืนแล้วก็นบีก็กลับมาในตอนเชา้ามันหนาวสุนโบทันที่มักกะ แสดว่าไปคืนนั้นนะ่ะไปทั้งคืนแล้วกลับมาเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะทั้งร่างกายและวิญญาณสุบฮานันลอัลอัลลอบออับดิฮีอัลลอฮ์ให้น บ, บีผู้มาเนเดินทางในเวลากลางคืนจากมักกะไปที่อัลอาฟรอจากอัฟ ร, รอมีรออดไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปรับนามาา ม, มาในเวลากลางคืนก็นั้นกลางคืนมีบริการมากครับแต่ต้องนอนพักฟอดด้วยนะไม่ใช่ไอบาราตลอดทั้งคืนไม่ใช่ เรื่องที่สามคืนไลโยตุลกอจรีกลางวันคืนอยู่ในเดือนอมาดอนเนี่ยอินนาอันซาลนาฮูฟีไลลาติลกอจรีเราได้ประทานอันกุปราชลงมาในคืนแห่งไลโยตุลกอจรีในเวลากลางคืนไม่ใช่กลางวันสังเกต น, นะเรื่องที่สนะครับนบีนุฮ์เนี่ย สอนศาสนาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ได้พักพอเลยนะบิณุนะแล้วก็ถูกเล่นงานจนกระทั่งสลบไปพอฟื้นขึ้นมาหนักทํางานหนักกว่าเก่าอีกอย่างนี้เป็นต้นจะนั้นสอนศาสนาตอนกลางคืนได้ไหมได้แต่อย่าจะสอนดึกสอนช่วงน้ำ ม, า เ, ม า, าเนี่ยมาริมอิซาเนี่ยดีที่สุดหลังน้มาอิซาก็ปยาญาได้แต่พยญญาอยานดวยทั้งเต็หนึ่งเต็มสองไม่ใช่ ก็จะให้คนก็ได้พัาผ่อนด้วยจะได้ตื่นมาทหารยุท ด, ด้วยนะครับเอาต่อมาเรื่องเรื่องเรื่องที่สี่กลางคืนเนี่ยเวลานึกนึกนำมาทหัรยุทธ์เนี่ยเหนียดตัวยังไงมีสองอย่างนะอาฮะุรุลอาคือร้องฉันระวังกลัวโลกอาคือระองแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากเนียดแบบนี้ อ, อ, อาฮะจุรุลอาตัวใจกลัวประสาทคือระอง แล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ประทานความเมตตาพลังยืนนมาดเนียดอย่างนี้นะครับอย่าเนียดอย่างอื่นให้หน้าสวยอย่าไปเนียดเนียดว่าไงนะให้ให้หวังกลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ในโลกอาคือหรแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับไอส่วนผลพลอยได้ก็คือใบหน้าเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้รัศมีเวลาละหมาดจะเป็นประจําเนี่ยนะสม่ําเสมอ ยุดบ้างก็ได้ไม่ต้องทุกคืนหรอกนะถ้าถ้าทุกคืนได้กว่าดี๋ยวมีปัญหาะะแล้วครับตัวเราว่ากลางคืนกับกลางวันเนี่ยมีบรกิการทำทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งสองอย่างแต่ใช้ให้เป็นนอนกลางคืนบางคนเนี่ยนอนกลางวันก็นอนได้ไม่ได้แต่ก็เรียกว่าป่อยรูนะ้แล้วหลังอาหารกลางวันแล้วก็งีบสักนิดหนึ่งนี่เป็นซูนานาระเบีอายุอย่างพวกเราเนี่ยต้องงีบนะแต่ม่ใช่ไม่ใช่งีบสองสามชั่วโมง นี่สครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแป๊บหนึ่งก็อิ่มแล้วเอาไปชดเชยของที่เราลขึ้นมานมาแต่หยุตในเวลากลางคืนนะครับทีนี้อัลลอฮ์เนี่ยเมตตามนุษย์ละรูฟ้าดลินอลนาลันนัสเนี่ยเมตตาอะไรบนะ้างอัลอลอฮ์เล่าในกีกุรอานนะหนึ่งอัลลอฮ์อภัยโทษให้เราเนี่ยวันละหลายครั้งไม่รู้นะทาความผิดเยอะเราไม่รู้สึกตัวเราเราฉันอภัยโทษให้คุณนะ เรื่องที่สองให้เราอาบน้ำนมัสการเพื่อให้เราได้ดูแลสุขภาพเราให้ให้ปากสะอาดใช่ไหมให้มือสะอาดให้แขนสะอาดให้ศีรษะสะอาดให้เท้าสะอาดโ ด, ดยการอาบน้ำนมัสการแล้วก็อาบน้ำนมัสการเนี่ยเอาไปโชว์ที่ไหนในทุ่งมาชัพเวลาเดิน ô, อัลลอฮฺบัดสมัยสงา่างามอย่างนี้คนนี้ราศีเพราะอาบน้ำนมัสการนี่วิธีรักษา ร่างกายให้สะอาดด้วยการอาบน้ำน้ำมาดแต่หลายล้านคนนะอย่างน้อยห้าพันล้านคนนะไม่รู้จักอาบน้ำน้ำมาดใช่ไมมีที่รู้จักก็มาสองพันล้านนะนะพยายามทำงานจะสอนให้คนอีกอีกไม่รู้จักอาบน้าน้ำมาดถ้ารู้จักการอาบน้ำน้ำมาดก็ได้ชีวิตของเขาจะได้สบายในโลกอาบอยู่หรต่อมานะครับ อัลลอฮ์เนี่ยให้อะไรบ้างเนี่ยให้ผลไม้ให้ออกมาให้เรานึกเวลากินผลไม้ต้องนึกอย่างต้นมะม่วงหน้าบ้านท่านเนี่ยเวลาผลออกมาครั้งแรกเี่ยอย่าเพิ่งกินแจกให้คนอื่นกินกันก่อน <c oughs> แล้วก็อ่านอ่า น, อ, านอ่านกอ่านไนบ้านต้นไม้ที่อยู่ริมริมเนี่ยมีบรรยากาบน่าจาได้ไหมนบีเคยอ่านคุตตาบะชายบิมบัตอันใหม่ อันเก่าเนี่ยเป็นต้นอินทดารามใช่ไหมนบีมาคืนพุตะะบะเรวก็ไปใช้อันใหม่พอใช้อันใหม่ปั๊บขอนไม้อันเก่าเนี่ยร้องร้องฮูฮูนบีก็ลงทราบว่นานบีได้ยินหมดเลยคนไม้มันร้องอะ่ะนบีก็ลงมาเกาะต้นไม้ก็บอกว่าอย่าร้องฉันไม่ได้ทิ้นต้องการจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยอยากจะฟัง อยากจะฟังปุราอยากจะฟังการเนส้อหาการตักเตือนขอ ง, ของคนของของั้ขนนบีคนนบีไม่ใช่เราลองให้ตุลมาเขา อ, อธิบายต่อว่าคนที่ไม่ฟังศาสนาเราดีใจนะ่ะตุลมาดีกว่าเองเนะี่ยขอนมาดีกว่าคุณนะ่ะขอนมาอย่าง้องให้อนะ่ะแต่เองไม่ฟังศาสนาเลยทั้งชีวิตนะ่ะเองกับตนมาใครดีกว่ากัน อออย่างนี้นตัวนี้มันข้อเตือนใจทั้งหมดนะเพราะ อ, อิสลามก็คือข้อเตือนใจเตือนใจเตือนใจตลอดเวลาอาตอฮะย่ารีฮุสิลซอมซาลิกุลลอฮฺรับบุคุมคาลิกุลลิชัยลาอิลาฮฺอิลลาหฺฟาณนาตุฟาคุณ ذلك มุ่งมั่นพระองค์ข้าวลองทุกสิ่งไม่มีพระเจ้าอืนนอกจากพระองค์ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักพระองค์ขอพระเจ้าอวยพร เิฟตเาตรนะคุณลักษณะเรียกในภาษาฮัติว่าอูลูฮียากับรูบูบีอะอูลูฮียาแปลว่าอัลลอฮ์เนี่เ ป, นเป็นเป็นพระเจ้าห้ามกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อนเดียวแล้วก็อัลลอฮ์เป็นรอบบุญเป็นผู้ไรนะครีเอเตอร์สร้างทุสิ่งทุอย่างบนโลกนี้แต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่มีส่วนในการสร้าง อายะนี้ทงการจะเตือนให้ท่านนาบีมาอธิบายว่าอัลลอ์นั้นมีสิ่งแัดล้อมหนึ่งเป็นอูลูฮิยะและอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพพักดีนอกจากอัลลอฮ์อง์เดียวข้อที่สองอัลลอฮ์บริหารจัดการโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวจะสอนเรื่องนี้อายะนี้อาดูสับครับลาลิกุมนั่นคือ อัลลอฮ์นั่นคืออัลลอฮ์รบบุกุมเป็นพระผู้อภิบาลของท่านไม่ใช่ใครอื่นเป็นพระผู้อภิบาลของสูรเจ้าอภิบาลบาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสร้างแล้วไม่ได้ทิ้งบางคนสร้างเราหนีงานดีใช่ไหมแต่กับอัลลอฮ์นี่ไม่นะสร้างแล้วยังดูแลต่ออีก แล้อเอาไปใช้เยอะงานนี่ใช่ไหนะรับงานที่สนามบินที่ได้ยกตัวอย่างเนี้ยสร้างแล้วป่อยไม่ใช่สร้างแล้วก็ดูแลต่อเองนะใช่หมอีกีเปอร์อีกหาเปอรสีเปนี่งเอาเรื่องของอลัลลอฮ์เนี่ยมาใช้ฉะนั้นเมื่ออลัลลอฮ์สร้างแล้วอลัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งเราเองเหมือนกันเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยเห็นนะครับต่อมาก็ คอลิกูกุลหรือใช่อัลลอฮฺเป็นผู้สร้างทุกสิ่งบนโลกใบนี้พี่น้องเคยสังเกตไหเนี่ยหละนิ้วมือเราเนี่ยห้านิ้วเนี่ยรอยนิ้วมือเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะรอยนิ้วมือไม่เหมือนกันอัลลอฮฺาบอกว่าในวันเกียร ม, มาณ์นะฉันจะให้ท่านเนี่ยฟื้นขึ้นหลังจากตายจะให้ฟื้นขึ้น แม้แต่รอยนิ้วมือของคุณนะก็เหมือนเดิมฟ i n g e อร์ i n t รอยนิ้วมือเนี่ยเหมือนเดิมครับนี่เป็นความสามารถของอัลลอ์เนี่ยต้องการจะให้เราเนี่ยนึกถึง Allah อัลลอ์เยอะๆนะแม้แต่รอยนิ้วมือนึกว่าตายแล้วมันจะสูญหรอไม่สูญพอฟื้นขึ้นมาในนาะรอยนิ้วมือเหมือนเดิมคุณอานอายะไหนครับบ า, า, า, าราคอเดรินะอัลอันุสอวยบานานะ บ้าน่านแปลว่ารอยนิ้วมืออลัลลอฮ์ให้ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมทุกอย่างพอฟื้นขึ้นมาจากกุโบอย่างได้อายุสามสามสามิบสามไหมแล้วมีคนตาดนะําน่ะเป็นมุูมินก่อนตายดินมาหาก่อนอ่านคูนอ่านก่อนสิครุลลอก่อนดูแลภรรยาดูแลลูกให้ดีให้มีอีมานณนะ่ะอลัลลอฮ์จะให้ตายในสภาพเป็นมุูมินพอฟื้นขึ้นมาอายุเท่าไหร่ สามสิบสามขนตาดําเอาได้ไหมเอาเอาเธอไปนอกนี่นบีเลาให้เราฟังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮฺฮะเนาะนะครับเอาต่อมาครับ لا إ ล ه إلاه นี่เป็นอะไรนะอิลาอ่อออออาไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การขอรบพัะดีนอกจากอัลลอฮฺเราปฏิบัติตามนาบีครบทุกอยา่างแต่เนี่ยอัลลอฮฺเตือนนะ่ะ เตือนให้ดิงถึงอัลลอ์นะอย่าไปก้มอย่าไปขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไปขอต่อตะเกียวไม่ได้ขอก่อนตายได้ถ้าหลังตายไม่ได้เป็นชิริกนะครับฝอันาตุฟกูนตุฝกูนเนี่ยพระวหันจะหันไปทางไหนอีกล่ะ จนปัญญาไม่จนแล้วถ้ายอมรับในอัลลอฮ์แค่สองซึ่านนี่นะอัลลอฮ์ไปไหนไม่ต้องไม่ต้องไปหาเพื่งคุณอื่นแล้วหาหาอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นพอแล้วอัลหฮัมดุลิละวางไว้ใจกับอัลลอฮ์พึ่งอัลลอฮ์ขอทูลาต่ออัลลอฮ์ลำบากนิดนึงก็ขอทูอาต่ออัลลอฮ์แม้ต่เชื่อรองเท้าขาดนาบียังขอทูอาทั้งทั้งตามซึ่มีมั้งนี่ แต่ทำไมต้องขอสแสดงถึงเป็นผู้ที่นอบน้อมแล้วก็ทนมตนต่ออเล่าอยู่ตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลละคือนบีสั่งอย่างนี้นะครับประโยคนี้นะละอิละอิลลอละเนี่ยให้ว่าหลังจากนามาดการอาสซุลลอฮฺยากูลุฟีดูบูดีกุลลุสกุลุสอัลลอฮฺถทุกหลังนามาดสะดูทุกครั้ง Ada lima Muslim: m Ahmad, Abu Dawud, Nasai. Nabi Nabi a n d o a abu ni: La ilaha illallah, w a h d a h u la s y a r i k a l a h lahu l mulku, walahu l hamdu, w a h w a a l a k u l l i s y a i i m q a d i r yang yang cakap cakap yang ni nihaiwa sep tio, atau raya tio. ไอร้อยเที่ยวทีสุราห์นะมไม่มีใครทามารอกอย่อมาก็ตอนสุโบนเนี่ยนให้อ่านดูอาบทนี้เยอะๆละอิละฮ์อินละลออฮฺอัลดาฮฺลาชาลิกัลละลาฮฺลมุลกุวาลาฮฺอัลฮัมดุวาหฺวาลาคุลิไซมฺกาดีขำแปลดีมากเลย น, <S 1> <S 1> นบีพูดว่าฉันและนบีคนก่อนๆฉันก็อ่านดูอาบทนี้ด้วยกันทุกคน ลาอิลลอฮิลลลอฮุวะเดะฮฺลาชรละ له الملك وله الحمد وهو على كل ش ي ي ر พี่น้องที่ไปทำฮัตกันมันกันใช่ไหมละบายกอลลอฮฺมาละบายประโยคคล้ายๆกันคำแปลเหมือนกันคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนํำนวนในเล็กในน้อยเท่านั้นเองตัวลว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับชมอัลลอฮ์เยอะๆนะหลังน้ำมาให้อ่านตัวอานบทนี้อัลลอฮล لا إله إلا هو ح د ه لا شريك له له الملك وله الحمد و ع ل ى كل شيء وياه เหมือน نبي นะครับ .الحمد لله. ในในหนังสือฟาตุลบาลีอิมามอิบนะฮะญาติอาเบะอย่ีเวานั่งกันอยู่สองคนอย่าคุยเรื่องหวยอย่าคุยเรื่องดุนยาคุยเรื่องนี้ละ มานั่งคิดถึงอัลลอฮ์กันดีกว่านี่ก็อยะาตาดาอัลลอฮ์นี่วายฮ์มีดานี่แล้วก็นั่งสรรเสริญอัลลอฮ์คุยถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั่งมาสคนเราภาษามียนพยานะคุยเรื่องอัลลอฮ์บ้างนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยมาช่วยจะตคุยเ ร, ยรต้องเงินทุนเงินธุรกิจธุรกิจไม่ใช่เอาเวลามาคุยกับลูกเอาเวลามาคุยกับภรรยาเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่เราเนี่ย ถ้าลุกขึ้นนมาตะหัดหยุดนักนก็นนะเออซื้อของไปบริจาคคนนั้นนะจะแตะหวังมรควานตอบแทนจะคุยในเรื่องดีๆกับครอบครัวเนี่ยอายานีนะ่ะเตือนนะ่ะอุลมะอธิบายให้ความว่านั่งคุยกับภรรยาเนี่ยคุยจะคุยในเรื่องดีๆไม่ใช่ด่าคุณนะด่าคนนู้นด่าคนนี้ไม่ใช่นะใชเขาด่าเรามาเนี่ยเราให้อภยัยหมดเลยบอกบอกภรรยาให้อภัยก็ได้ เนี่ยถ้าสามีพูดอย่างนี้บ่อยๆกับองจะปากสามีหรือภรรยาเตือนสามีสามีเล่าผงดูหนูวันนี้ไปที่มันเขาด่ามาภรรยาวม่าไบางับ ง, บงพี่อย่างเงี้ยเนี่ยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีบรากัรนะครับเพราะเนี่ยปีใหม่เนี่ยนะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีนะชอบบอัอตรามายาที่หกสิบสามกัลิกยุ ยَฟَกุ่ลลัฎีนَกันุบิอ้ายَติอัลลอฮิยะจัดฮุดุนคดัลิกายุฟักุ่ลลัฎีนักันุบิอ้าِาَิอัลลอฮิย ل َّดِ ي ดุนอัลُ و ฮฺอัลَอฮฺอัลَอฮฺอَลลอฺَคดัَปว่าในทรนองนั่นแหละ ทาชมนงเดียวกันนั่นแหละยุฟากูบรรดาผู้ที่หันเหส่วนใหญ่เนี่ยหันเหเออกจากอัลลอฮ์กันทั้งหมดแล้วนอกจากมุหมินเท่านั้นแหละที่จะอยู่กับอัลลอ์นะผู้ที่หันเหน่ะใครไปไหมเบียยาติละ หันเหออกจากองค์การทั้งหลายของอัลลอ์หันเหออกจากอัลกุรอานก็ได้หันเหออกจากสุนัขนบีก็ได้หันเหออกจากคำสั่งคำเตือนของอัลลอฮ์ก็ได้นะครับส่วนใหญ่เป็นใครครับยาจฮารูนผู้ปฏิเสธผู้ปฏิเสธเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่หันเหออกจากหนทางของอัลลอ์ที่ถูกต้องแล้วก็หลมทาง ไอ้หลงทางเนี่ยมันน่าจะลําบากนะแต่ไม่ลำบากยิ่งหลงทางเอาลอยยิงให้ยิ่งหลงทางเอาลอยยิ่งให้แปลกเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะยิ่งไม่นมาดยิ่งด่าอล l l a h ยิ่งด่ากุรอานยิ่งอันตีุนนะนบีเอาลอยยิ่งให้เพลินให้อร่อยนี่อันตรายนะ อัลลอ์ไม่ให้ป่วยหรอกครับคนป่วยในมุสลิมนู่นเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่แต่คนที่แ mm. อนตี้อัลลอ์ที่ปฏิเสธอลัลลอ์นี่นะอลัลลอ์จะให้พบกับเรื่องสุขสบายดูสิปีใหม่ม า, มาแฮปปี้ไหมสมการมาแฮปปี้ไหมแฮปปี้หมดเลยอ่ะแต่มาอ่นานข่าวดูสิตายวันแรกสามรอย เอาแต่แค่นีพอจะแต่มางด้วยใช่ทำดีเลยเลยนะครับฉะนั้นคนที่แอนตี้อิสลามนี่นะมันเพลินอ่ะอร๊อยิงให้เพลินเพลินเพลินเพลินเพลินพอความตายมาถึงข้หอยอัยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหมดทางไปแล้วขอหน่อยขอกลับมาชาชีวิตมาแก้ตัวบนดุนยาใหม่ผู้ยังเงียยทุกคน อมียร์เราตายกคือนี่อัลลอ์เป็นอย่างนี้นะครับอัลลอ์นี่นะพูดในีคุรานอัิบัยอย่างนี้ในสุราอัมฟาลมาที่ด้วยนะอัมฟาลอายาที่ี่สอิสตจบลิลลาฮิวะลิรูลิดะกุมลิมาุยคุมคำแปลก็คือสูเจ้าทั้งหลายจงตอบรับ ทำเชิญชวนของอัลลอฮ์และของรอซูลเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเรียกคุณด่ากลุ่มเรียกร้องคุณรู้ไหมคนที่อัลลอฮ์เรียกรอ้รรกรองให้ปฏิบัติตามมรด์ตามุณได้อะไรยุยยิ่งกลุมทําให้ท่านมีชีวิตชีวาดีกว่าเก่าเห็นยังครับ ปฏิเสธอัลลอฮ์อัลลอ์ให้เพลินแต่ว่ายึดันมาอยู่กับอัลลอฮ์เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของนบีของอัลลอ์เนี่ยชีวิตการเป็นอยู่ของท่านเนี่ยดีขึ้นไม่ได้เพลินดีขึ้นุกขึ้นมาตาฮุดได้ให้อภัยคนได้เงินในกระเป๋านี่บริจาคได้อะเมื่อก่อนนี่ได้ที่ไหนอะใครดานิดนึงโอ้โหตามมาถึงหน้าบ้านเลยอะ แต่วันนี้ให้อาภัยหมดนี่ชีวิตดีขึ้นคำว่าดีหมายถึงใกล้ชีวิตชีวิตอังสุนาหนบีมาใชา้มากขึ้นนอนไวขึ้นตื่นตื่นตอนดึกได้บริจาคได้ยิ้มกับคนได้ให้อาภัยกับคนได้ใครด่ามาฉันไม่สนใจเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่อลัลลอ์เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่ออลัลลอฮ์และเราซูนในเรียกรรองท่าน ให้ปฏิบัติตามบัลลัง์และร์สูลเอานาบีเป็นแบบนนะเอาซาบานนบีเป็นแบบเนี่ยยุย่ยกุมจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นให้มีชีวิตชีวาไม่ใช่ตายอลายคนตายก็คือคนที่เพลินฟังเพลงจนเพลินเล่นดนตรีเพลินร้องเพลงเพลินอยู่กับผู้หญิงเพลินชีวิตของคุณไม่ไ ม, มีราคาไ่น้องแต่ ตาจะรู้สึกโอ้โหตายจริงเลยตายจริงเพราะเาพลาดไปแล้วพลาดไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับตกลงว่าคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เพลินพราะปฏิบัติตามอารมณ์อ่าเข้าใจนะปฏิบัติตามอารมณ์พระเพลินปฏิบัติตามอารมณ์ยั่ยีสําหรับผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ชีวิตการมีพัฒนาขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ในด้านของอาคิร้อน่ะด้านดุลยาคนนี้มันคลองไปแล้วแต่อาคิร้อนน่ะอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราอ่อานคุณอ่านเพิ่มขึ้นให้อภัยขึ้นเพิ่มซิกโรลล์เพิ่มขึ้นเยี่ยมญาติพี่น้องเพิ่มขึ้นเรื่องดีๆนี่อยู่กับมุหมินผู้สัท่าต่อหล่อหมดเลยลฮามดุลีลาเข้าใจนะละฮามุดุลีลาตบท้ายาที่สี่หกหกสิบสี่อัลลอฮฺ الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوراً لكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ أ َ ل ْ ح َ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَفَلَوْا َ ر َ ك ُ م فَأَحْسَنَ سُورَةَ ُ و ًَ วาระคุณมีนา طيب ะ ذلك ุณอัลลอฮฺรับบุคุณฟาตาบรักอัลลอฮฺรับบุลอาลัมิอัลฮัมดุลิลลอฮฺอัลลอฮฺ a ัล a อฮ a ไอ้ยานี่ต้องการก็อธิบายว่าอัลลอฮ์เนี่ยออกแบบมนุษย์โดยไม่มีแปลน สร้างชั้นฟ้าก็ไม่มีไม่ได้ลอกเลียนใครเลยออกแบบเก่งมากชั้นหนึ่งจริงๆนี่อย่างรูปรูปแบบของมนุษย์เนี่ยใครสร้างเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอัลลอห์ทมออกแบบมนุษย์น่ะออกแบบชั้นฟ้าน่ะอัลลอ์ออกแบบดวงตะวันดวงจันใช่ไหม ให้ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์คล้ายออกแบบวถามว่าครออกแบบเกิดเองหน้าหน้ามนใสไเกิดเองเอาต่อมาครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอเป็นผู้ที่ยาละสมธรรมมอ สองสองสองอายาธิเลายาโท ara, anya, <Sh op Music> สิบเอ็ดกับยานาเป็นกันใช่ไหมนั่นละรมทรงธรทำละบุ้มให้แก่พวกท่านอัลออร์ดออร์อังรับอังกฤษอังกฤษอเมริชาเอิร์แผ่นดินอัลออร์ดนะฮอัลลอฮ์ทรงทำให <Sh op has mathematics> oh ้แผ่นดินนี้สำหรับสู่เจ้ากรอร้อนเป็นที่พักกรอร้อนกับลิตัสกูนูน่ะคล้ายๆกันอ่าเป็นที่พัก นะครับให้แผ่นดินเป็นที่พักแล้วก็ถ้าเป็นภูเขาหมดเลยเนี่ยยุ่งไหม <H ail S 2> ให้เป็นที่ราบด้วย ids, ใช่ไหมจะมีบ่อน้ําด้วยมีทะเลด้วยมีนัน่นมีนี่ถ้าเป็นภูเขาหมดเลยเลยนะี่ยยุ่งไหมล่ะโนี่ต้องนึกถึงอัลลอห์อัลลอฮ์อักุบะนี่รู้เปล่าพออาฮะดิสพบเ น, นี่ยแผ่นดินที่เป็นทะเลทราย มาถึงในในโลกอาหรับเนี่ยใกล้ๆวันเกียมะอลัลลอฮ์จะให้มีต้นไม้ขึ้นเขียวกระชีน่าคิดนะใกล้ๆวันเกียมะแผ่นดินที่เป็นทรายๆายทั้งหมดที่มีแดดเปรี้ยงเปรียงเปรียงจะให้มีต้นไม้ขึ้นวันนี้ ผมไปเยี่ยมทูตสวดีดนนีนั่งคุยกันตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยส่งต้นไม้ทธุรกิจเนี่ยทำต้นไม้ไปส่งไปรุกขาระคทำไมสั่ ง, งเพราะว่าเป็นประเทศไทยเป็น ม, มีมีต้นไม้ที่ดีที่สุดในโลกทั้งหมดเนี่ยอยู่ในประเทศไทย ทนคนที่ทำธุร ก, กิจตานี่ตอนนี้ได้ไมีออเดอร์มาแล้วแต่ผมได้ยินมานะครั้งแล้วนะหกหกพันกว่าร้านะครั้งที่สองนี่เป็นหลายหลายพันล้านเลยนะสัสั่เข้าไปสี่งเข้าไปต้องการจะให้ประเทศนั้นมีเขียวขจีเขียวขจีเขียอ่านในพูดถึงธุรกิจแค่นี้พอนะครับอัลลอฮฺุลเลลิจ علللكم الأرض قرارة อัลลอฮ ทรงทําให้แผ่นดินนี้เป็นที่พักอาศัยสําหรับสูงเจ้าวัสมาแล้วก็ชันฟาเบบีนาอันเป็นหลังคาเปรียบเสมือนหลังคาห้ามได้เลยแล้วเราต้องนึกหลังคาอะไรมีน้ำรั่วถ้าหลังคาของเราในการน้ํากันแดดใช่ไหมแต่หลังคาที่อัลล็อกนี่ออกแบบโดยออลล็อกเนีหลังคาของอัลล็อกก็คือมี มีเมฆ ม, มีมีน้ํานีอัลลอฮ์มีบิบรารักัดชั้นฟ้าจะเต็มไปหมดเลยมาจะมาจากชั้นฟ้าหมดเลยฉะนั้นหมุบบ้านใดต้องการบรารักัดจากชั้นฟ้าจะแผ่นดินนะทาตัวเป็นคนดีซะอัลลอฮ์จะให้บรารักัดจะแผ่นดินเนี่ยขึ้นจากจากจาแผ่นดินบ้านคุณเนี่ยแล้วไปจากชั้นฟ้าด้วยมีกุลมะท่านหนึ่งมาจากดูไบเมื่อสามปีที่แล้วก่อนโควิดเนี่ยนั่งคุยกับผม เขาบอกว่าตอนอาจารสุมโมห์จะมีบราระกัแผ่นดินเนี่ยออกจากแผ่นดินนะขึ้นประมาณสองเมตรทัาใครที่ตื่นเนี่ยตื่นตอนตะขัยุดธนี่นะตอนตีสามครึ่งตื่นแล้วก็ไม่นอนแล้วก็เดินมาจากบ้านมานมาดที่มัสยิดเนี่ยสูตรบราระกัดนี้เข้าไปในตัวของเอง นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของมุสลิมเขาวิจัยกันออกมานะตองกลางคืนครับฉะนั้นเราเนี่ยไม่ใช่นอนตลอดนะถ้าลุกขึ้นมาหนาแต่ฮะยุนเนี่ยสูนบริการในร่างกายแข็งแรงอัลฮัมดูเล่ยเลย น, นี่ความลับเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่เปิดให้เรารู้นะถ้าเห็นกันหมดเนี่นะเป็นมุสลิมทันหมดทั้งโลกแนะ่แต่นี่เองเชื่อหรือเปล่าว่าอลัลลอฮ์ประทานคุณอาณ่านมาเนี่ยมีบริการตรงนี้ไนหะมีเยอะมากนะ เป็นที่พักผรอแล้วก็ชานฟ้าเนี่ยเป็นหลังคาอาลัลละ์เนี่ยสองอย่างนี้เราก็อธิบายไม่ถูกแลกันาเอาต่อมาวรรคที่สามวาซาวาอกุมทำให้สูเจ้าเนี่ยเป็นรูปร่างอาลัลลอฮ์เป็นรูปเป็นร่างภาษาอุนดูอธิบายดีเขาบอกว่ารูปร่างยังไงเนี่ยคนกับคนมองกันยังสวย แต่ว่าหมาเห็นคนมันเหา่าอธิบายมันไม่ชอบรูปรูปร่างแบบนี้หรอกไม่ชอบมันชอบรูปของมั น, นุษนนี่อัศังลงูเลม่าตับสินัน่งอตอมารับฟาอัศนาสวรกุมนี่อัศ น, นเปนว่าสวยงามที่สุดสุวรกุมรูปร่างของสูเจ้าเป็นรูปร่างที่ most beautiful สวยที่สุดเลยนี่อลัลลอฮ์เล่าเองอ่ะใครออกแบบมนุษย์มีแขน ม, มีขามีศีรษะอัลลอฮฺอักบะรเนี่ยใครออกแบบต้องนึกแล้วถ้าไหนที่อลัลลอฮ์ชอบมากที่สุดเนี่ยท่านาวาเน่ะท่าสุยูดเอาสุยูดเอาหน้าผากเราไปจมูกนี่นะติดกนะันนวางไว้ที่ที่ ที่ดินนี่แหละเป็นท่าที่อัลลอฮ์ชอบมากที่สุดทำด้วยแล้วรูปร่างเราเนี่ย AH, อาศาศาัลลอฮ์อัศนศรีว่ารูปร่างคุณเนี่นะสวยที่สุดในโลกเราไม่มีอะไรเท่าแล้วยังก็ทยอยต่อล้อยอยีกเหรอมองรักว่าฉะนั้นเอามารยาทนาบีมาใชา้นบีไม่เคยโกรธใครไม่เคยด่าใครมรถิถูกดา่าถูกด่านบีให้อะไรเอามารยาทนี้มาใชา้ เอาเงินให้ภรรยาใชา้อัลลอฮฺอักบารมีผ ล, ลบุญมากกว่าบริจาคแต่ต้องบริจาคด้วยนะแต่ภรรยาก็ให้ด้วยนี่มรารยาทรูปร่างอัลลอฮ์ให้มรารยาทต้องทําเองนะเข้าใจนะรูปร่างเนี่ยอัลลอฮ์จัดให้ฉันเล่านะอัลฮ์ซานาสูวาละกุมรูปของคุณนี่นะสวยที่สุดแต่มรารยาทของคุณจะดีเหมือนนาบีต้องพยายามฝึก ฝึกบริญาตัวเองฝึกบริญาตัวเองนี่ซื้อของอดิยาให้กันนะอัลลนี่ฝึกอย่างนี้ทำแบบนี้หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺุภานะวตอาต่อมาครับยังไม่พอนะสร้างรูปร่างมาให้สวยงามไม่พออว่ารอจ า, ากกลุ่มและได้ประทานเครื่องอย่างชีพให้กับสูงเจ้าอีกอัลลอฮฺอักบร อตอยิบ้าที่ไรที่ดีด้วยริสกีนะ่ะที่ผ่านมาจากอัลลนี่นะมาจากชฟ้าแผ่นดินนี่นะมันมีฮาลาลกับตอยิบฉะนั้นเหมือนเป็นของฮาลาลแล้วถ้ามาตอยิบกินได้ไหมอย่างคนเป็นเบาหวานนี่ไปกินน้าตาลไปกินทําไมล่ะมันไม่ต่อยิบมันฮาลาลก็จริงแต่มันมไม่อตอยิบต้องเรียนหมดเลยไนงะ ต้องเรียนต้องศึกษาต้องหาความรู้ตลอดเวลาอัลลอฮฺอัลลบัญติคำเดียวๆเลด็อกเตอร์มหาดิดของมาเลเซียทำไมอายุเก้าสิบกว่าแล้วหน้าตายังสดชื่นด้วยเนะขาถามว่าคุณดูแลสุขภาพยังไงเขาตอบไปคำเดียว I never eat sugar ฉันไม่กินน้ำตาลน้ำตาล ใ, ใ, ใส่เนยตาลใส่ขาวๆเนี่ยจะไม่กินถ้าจะกินกินน้ำผึ้ง เพราะว่าน้ำผึ้งโอ้ยยอน้ำผึ้งแพงน้ำพึ่งอัศจรรยนั่นอยา ก, กินน้าตาลไปนองถ้าต้องการจะดูแลสุขภาพนะนี่ความรู้บนบนดุนยานะมัใจะของนบีนะต้องการจะดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นโรคเยอะอย่า ก, กินน้ําตาลผมได้จากดกรมหาเดชป ก, ก็จําผมก็ไม่กินมาสามปีแล้วก็ดีขึ้นัำอยู่แล้วแต่ท่านไปกินน้าตาลเยอะมากทำอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ห้ามเด็กขาดี่มันดุจยาแต่ ไ, ไม่ก็กินน้ำ ต, ตาไปไปหาหมอไปมันเพลินเนี่ยนะเอาต่อมาครับตัว ล, วละม่งอัลลอฮ์เนี่ยมาให้มนุษย์มาเหนื่อยเรื่องการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินมาต้องมาเหนื่อยมาการสร้างสร้างสร้างตัวเองเหนื่อยเรื่องมารยาตตัวเองทําไงทำตามตามสุนัข น, นบีแล้วก็เรื่องริสกีอลัลลอฮ์จัดให้หมดเพียงแต่เลือกเลือกทานนะอันนี้อยทานอั น, นี้ทานอัย น, นี้ ทานทานมังไงก็ตอนล้างมือก่อนอย่าลืมนะเดี๋ยวนี้ลูกหลานเราเนี่ยกินอาหารด้วยช้อนหมดแล้วแม่เราเองกิอาหารด้วยช้อนน่ะแล้วก็กินด้วยช้อนก็ไม่ว่าเพราะนบีกินด้วยช้อนมาก่อนใช้มีดก่อนเพื่อนแล้วก็ก่อนจะกินให้ล้างมือก่อนเนี่ยช a s h i n g hand first เนี่ยล้างก่อนไปทั้งละกินอาหารแต่ผมต้องกินหารดนมือ ผมนิถานานเดินมือประจำนะตั้งแต่นานมาแล้วพวกเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเนี่ยเอามาเลยตามสุนนทรนาวีนะครับเอาต่อมาครับซาลิคุมุลลอหนั่นคือ Allah. อัลลอฮ์นี่ที่รรมาทั้งหมดนะอัลลอฮ์จัดให้นะครับ พระผู้อภิบาลของท่านฝ่าใจบารอกอัลลอฮฺเป็นความจำเริญที่ยิ่งใหญ่เป็นของอัลลอฮฺความจำเริญตาบารอกแปลว่าความจำเริญอันยิ่งใหญ่เป็นของอัลลอฮฺรอบบุลาเลมีนรอบบุปผู้อภิบาอลอาลามีแปลว่ายูนิเวอร์สแห่งสาวกและจกักรอัลลอฮฺเป็นเจ้าของโลกใบ น, นี้แต่เพียงผู้เดียว อัลฮัมดุลิลละนองครับขอบคุณอัลล์นะครับต่อมาอายะสุดท้ายนะครับฮุวันให้คถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับมนุษย์อยู่ยังไงคำตอบนะครับจากคุณอ่านนะซุลาะอัลฟาลอายะที่ยี่ยี่สิบสี่มูอันละลอฮะยาฮูลูบายนัลมารีวกัลเบ จะรู้ไว้เถิดว่าอัลลอ์นั้นทรงแทรกอยู่ระหว่างมนุษย์กับหัวใจของเขานี่ถ้าเราไม่อ่านกุอานเราไม่รู้ว่าอัลลอ์เนี่ยอยู่ในตัวเราม่อยู่ตรงไหนอัลลอ์น Allah เนี่ยแทรกอยู่สุรอัลฟาลอยายะที่24นะไปเปิดดูนะอัลล์เนี่ย จงรู้ไปเถิดว่าว่าละมูอันอัลลอฮัยะฮูรุใบนัลมัริอุกัลบิจจงรู้ไปเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงแทรกอยู่ระหว่างมนุษย์กับใจของเขาระหว่างมนุษย์กับใจของเขาอัลลอฮ์แทรกอยู่ตรงนั้นเห็นยังครับมาถึงอัลลอ์นรู้หมดจะคิดอะไรรู้ไหมรู้อยู่ในใจเนี่ยคิดอะไรเรารู้หมดเลยฉะนั้นอย่าอวดดีกับเลา น้อ no, no, มน้อมทำตนก่อนลอกนะครับฮุลไพลาอิลาห์อิลลหฮูฟะดะฮูมุคลิซีนลาหุดดีอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาลามนุวัลไลาอิลาห์อิลลัฮ รั้อมุขลี้ยนล้วเดินอัลฮัมดุลิลลอฮฺรับบิลอาลามีนคือวันหาย Allah คทรงมีชีวิตอยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุเราหมดอายุบ้านเราหมดอายุที่ดินเราหมดอายุ ตัวสิ่งตัวอย่างบนโลกดุจยาไปนี้หมดอายุหมดแต่อัลลอฮ์ไม่หมดอายุแล้วอีหละไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรจะการเคารพภาคเดนนอกจากอัลลอฮ์องเดียฟะเดาอัลลอฮ์สั่งนะสั่งสัมพันนาบีให้นบีมาสอนจงขอจงวิงวอนจงขอจงวิงวอนผู้ต่ออัลลอฮ์มุคลิสินผู้บริสุทธิ์ ใจมั่นมั่นใจกับอมรบเวลาขอต้องมั่นใจรอรับการขออนามีห้าอย่างนะขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชาสามขออย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บาระไม่มีข้อที่ห้าขอแล้วบนดุนยาไม่ได้ได้ในโลกอาคือรอให้ขอ ถ้าไม่ขอ อ, อัลลอฮ์โกรธพูดหมาการขอมีอยู่หอย่างนะขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้าอย่างลูกเราขอให้ลูกแต่งงานอายุสิบขวบกว่าจะได้คิดบอกยี่สิบปีต้องขอถึงยี่สปีนะขอทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, วนอย่างนี้เป็นต้นขอแล้วให้ขออย่างดึงได้อีกอย่าง ข้อที่สามขอแล้วไม่ได้แต่บาะไม่มีข้อที่ห้าขอแล้วบนดุญยาไม่ได้ไปได้ในโลกอาคือเราคณกาเฟตไม่มีนะแต่มุมินอยู่กับมุมินกันด้อาจจะนี้จมขอ d อาวิงวอนตอลอเป็นผู้หัวใจที่มั่นคงสุจริตมั่นในการคักดีต่อพระองค์ a l h a m d u l i l l a h i r o b b i l a l a m i n i n i k a s a l a s s a n a a l ล a บรร ด, ดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลและจกักรอธิบายอย่างนี้ไซต์ตอนเนี่ยนะไซต์อนนี่ที่มันไม่สุญญ์ต่ออัต่ออาดาัมที่อัลลอฮฺสร้างเนี่ยอัลลอฮฺเลและนัดนะอ่าคือคือต้องการจะอธิบายว่า สำหรับมุสมิม น, นี่นะคนที่ทิ้งนมาศเนี่ยคือคนที่เลวที่สุดทําตัวเหมือนใครนะเหมือนชายตอทีนี้ไอ้ชายตอเนี่ยนะมันไม่ได้ทําดินานะมันไม่ได้ดื่มเหล้านะมันไม่ได้ฆ่าคนนะที่อัลลอฮฺละนะมันนะเพราะมันไม่สุอยู่ ท่านเราเองก็เหมือนกันวนนี้ถ้าไม่สูญูดถ้าไม่นามานั่นอ่ะเราเป็นคนประเภทไหนเลวสุดๆอ๋อเพราะฉะนั้นอิหม่ามฮัสซันบาสลีนี่นะมีคนถามอิหม่ามฮัสซันไม่ใช่นบีนะถามท่านอิหม่ามฮัสซันบาสลีบอกว่ามุกมินอันตะคุณเป็นมุกมินเปล่าท่านฮัสซันตอบว่า มุมินหรืออีมานะมีสองอย่างถ้าคุณจะถามฉันว่าอีมานต่ออัลลอฮ์อิมาน ต, ต่อรอซูลอิมานหข้อนะอีมานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อรอซูลอิมานต่อคมพีอิมาน ต, ต, ต, ต่อวันอาคริร์ตายเราฟืนในการสอบสวนมีนรกมีสวรรค์ฉันเชื่อพวกเราก็เชื่อทุกคนใช่ไหม แต่ถ้าจะถามฉันว่าอิมานข้อที่สองด้ยนะอิมานมีสองสองอย่างนะอิมามหข้อเนี่ยเรา อ, อิมานพันเอเซนต์แต่อิมามเรื่องที่สองในคัมีรกุรอานนำไปเช็กดูนะในสุระอัฟฟานสุระอัฟฟาลนี่นะอินนาม ال มุ่งมิโนนะอิดะดุคีรัลลอฮฺวัดิลักลูบุหุม นี่มุมนนะที่แท้จริงนะเวลาพนามของลอตถูกเอ่ยมาอย่าว่าอัลลอ์หรืออัลล์มานอัลลฮิมถูกเอ่ยมานี่นะครับหัวใจของเขาเนี่ยวาดเกรงเรื่องที่สองว่าอิลาตุลยัตอไลฮิเมเมื่อคำพีกุรอ่านหนึ่งวักหนึ่งอายาถูกอ่านขึ้นมาต่อหน้าเขาซาดัตฮุมอีมานาอีมานเพิ่ม แล้วก็วาจาลบบิหิมยาตะวะการูนแล้วก็มอบหมายตนต่ออัลลอฮนั้นฉันยังไม่รู้ว่าฉันเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเข้าใจนะอีมานฮัสันบัสรออธิบายว่ามีคนถามว่าคุณเป็นมุสลิมบ้ามุสลิมมีสองอย่างถ้าอีมานหกข้อเนี่ยถ้าคุณจะถามฉันคุณอิมานหกข้อไหมเราอีมานหกข้อแต่ถ้าจะถามว่าในคุรานอายะซุะอาลฟานว่า มุมินที่แท้จริงเมื่อเวลาพระนามของอัลลอฮ์ถูกเอ่ยขึ้นมาหัวใจที่หนักเกรงกอัลลอฮ์เมื่อกูรานทูก่านเนี่ย